จากนี้ไปเป็นพระธรรมเทศนาอานิสงส์เวศสันตะคัดเกลาอสํานวนใหม่จากฉบับพื้นเมืองโดยอินสมชัยชมพูปรเรียนธรรมพุกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงหายนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโต วสัมมาสัมพุทธัสสะสุขการมปัตเธนตาริญะเมตัยยังปัตสิตุงเวสันตระจาตะกังสุนิทตวานา อินเนาปริเนธิตังเยจาสุตตวสักจังสัมมาสัมปุทธเตสิตังจวิตวเตนาปุญเยนาเตวโลเกระมันติเตสหาทโวดุราสปูริตาตังลายตังหญิงใจน้อยใหญ่อันมักไฟใจจง ใครรูออนี่สรงแจ้งจอดแห่งเวสันตระหอดจะดกอันอาจานยกแต่เก้ามารอดหนุ่มเท่าเราราจุงจากดาฟังทีดังเราจากจี้จะใครลำดับไปไปนาบัดนี้แหละนา สุขกามพันตาเยจนาอันว่าคนฝุ่งใดหนุ่มเทาอันเกิดเหล่าขานิ้งหม้ใครใดสุขลายพร้อมไคในโลกไตเมืองคนและสุขบนฝากฝาและไข่หันนาฝาริยาเมตัยจุงแปลงใจใสจืนจ้อยแต่งเครื่องซอยปู้จ้าตามกําจาบอกไว้ แห่งพรานอติวัยอาริยเมตัยหากได้ไขบอกเรล่าแกมหาเถระเจ้าเตปามาไลัลแล้วฟังเวสันตระเจาดกไปแต่เกา่าทาราต่อเต้าสุดปลายมีกาถาไาลาเหลือหลากปันหนึ่งหากเป็นทารายอมเป็นกาถาผ่านแพหือเมียนแล้ววันเดียว <c oughs> บ่อรีเปลวดวงเฮาบ่อฟังเฝ้าลน้นีแปลงใจดีบ่อเศร้าฟังแต่เก้าถึงปลายคนยิ่งใจฝูงนั้นใส่เตียนย่อมใดดังผาธนากันมารานากาผภาคจุติจากเหมืองคนย่อมเอาตอนไปเกิดในจันฝ้าเลิดเหมืองสวรรค์ทุกคืนวันจื่จ้อยในภาสัดซอยวิมานคำ เมื่อน่านนำแต่ใส่กันว่าใดดับขันจากสะวันแต่ต้องลงสู่ห้องเหมืองคนบุญกุศลอันเก่ายังมีเหล่าตัวมาเอือเกิดในวงศารหยดเหงาคือเกิดขาคุณเต้าผาปุรีเกิดเป็นเศรษฐีสะขวยบุญจ้องช่วยตวยไปบ่อนีไกพผาค้าง กันมวยมั่งมาราดาบุญจักป่าไปเกิดในจั้นฝ่าเลิดเหมืองสวันเตี้ยวพัดพันจะใจจากโลกไตเหมืองคนขึ้นสู่บนฝักฟา้าแล้วลงสู่นาปฐวีย่อมเป็นดีจูจาดบ่ไม่มาดมองผ่านสุขสำรานเตียงเก้าบ่่อนได้เข้าอาบาย เมื่อจดาดไปสุดซอยยามพระนยอดซอยอริยาเมตัยลงมาเกิดในโลกใจเป็นพระตีไว้ยอดซัมปัญญูเตียงได้จูอยู่เฝ้าฟังพระเป็นเจ้าเตสนธรรมตัดบาปกรรมเสียงขอดลวดได้ถึงยอดนิราภัณฑนในอนาตตการไปนาะบอกาบบอกกาจและลนาะ เยจ่าดตาสาวรากันดังปูเจตียิ่งใจใดนั่นเหล่าได้ฟังกันเก้าจืดตัดสปรอันปาวนวิเศษด้วยจิตเจตศรัทธาแต่คาถาบัดตนติดสืบสนสุดปลายจุมงยิ่งใจฝูงนั่นใส เตียนย่อมได้ดังค่ะนิ่งในผาธนาใดก่อแล้วบอ่อกาดแก้วหายหุนเกิดเป็นคนทุกจาดย่อมเกิดในภาศาสมุนเทียนสุขสะเทียนจินจ้อยบอ่อตำก้อยมองขีและนะ เยจนาหิมาวันตั้งปู่เจนตีคนยิงใจใดหนุ่มเท่าใจโบเศร้าใจบ้านใดปู่จ้าฟังหิมมาปานจ้อยโจทย์บุญย่อมโพดต่อจนเกิดเป็นคนปไปนามียจังมาหัวควายค้ายยิ่งใจน้อยใหญ่ตั้งเครื่องใจเงินค้ามมีนานำมากว่างบ่ออัดอ้างสังขญา เครื่องปรีโฟกาหลายแล่ไหลมาแผ่ธมทองสมใจปองกูเชื่อตามไฟเอื้อจูพักการนั่นและนาเยจานาตาน้ากันดังปู่เจนตีคนฝูงใดนั่นเหล่าบอกว่านุ่มเทาหนิงใจมีใจภายผ่องแผวได้ปู่จะแล้ยวยังตาน้ากันมีใจมันจมจื่นย่อมือยื่นขาบวันตี ฟังบาลีแต่เก้าทาราบต่อเต้าสุดปลายกันว่าตายกาภากจุติจากเมืองคนย่อมเอาตนไปเกิดในชั้นฝ้าเลิดคงสวรรค์กันภายพันธจากฝ้าหลงสุนาเมืองคน เกิดในหุ un, so you know ่นแห่งห้องโคงเขตต้องแดนใดย่อมสมใจจูสิ่งมีจ้างมามิ่งหัวควายข้ายิ่งใจใหญ่น้อยมากกว่าเจ็ดร้อยจูพาการสุขสำราญจุนจอยมีลูกน้อยเบียแป้งใจบ่กแข่งอย่าปลาย่อมสอนง่ายตามกํานั้นแหละนา เยจนาวนาปสเวสนาคันดังปูเจตีคุณฟงใดใจจืนปิติตื่นสมมนัตสามีศรัทธามากกวางใดปูจะสร้างหรือดาฟัง วนาปเวสนังยังกันทามิเศษจิวันนาปเวดเรื่องไรเกิดจาดใดไปนานย่อมเป็นเจ้าฟ้าผาปาราหมีเตจะาเรื่องราบเต้าอื่นขาบสมปานมีปัญญาญาณองอาจจบชาลาจูพ ก, การไปสถานเขตห้องพระติดต้องแดนใดคนย่อมไลลหลังคอนมารับตอนปู่จ้าบ่ยาจะหละนา เยจนาจูจะกาปะฟังปู่เจนตีคนฝูงใดนั่นเหล่าใดปู่จะทําพระเจ้ากันจุจกบ่หอนตกตำเจ้าเมื่อจัดนาไปลุนสมบัติมูลมังควางด้วยมาจ้างวัวควายข้ายิงใจใหญ่น้อยมีกู่หอยเปิงแป้งบ่ในแดงอย่าร่างสมไปอ้างจูอันอันเลยนา เยจนาจุลาวันนังปูเจตีค้นฝูงใดนั่นใส่ใดสังไว้แล้วูจะฟังจุลาวันนังยังจุลาปนกันน้อยอันพระหยอดซอยหาเทศนา กันเกิดมาป า, ายนาไตหลุมฟ้าเมืองคนบ่อตกจนสักจาดกันกึดขวาดอันใดย่อมสมใจจุสิ่งเข้าของยิ่งนำนามีเรือกนาส่วนไรปลูกฝังใสอันใดย่อมแตกใบกี่ออกพาละออกมีมาหาโรคกาบ่อใดบ่อรู้เมื่อใครหนาวในสวัส ด, สดีไปบ่อขาดตกภาวะาจัดดีลี เยจนามหาวันังปูเจตีคนปุงได้ใหญ่น้อยใจจืนจ้อยยินดีปูจะฟังทำพระมูนีกันกว้างมีจื่ออ้างว่ามหาปน เกิดเป็นคนไปดานยอมยิ่งกว่าหญิงใจให้หน่าลลยมากวางคนอื่นไปอ้างเตียมตันได้อยู่หอจันพาษาสงามสะอาดเจียงขาดมีวิญญาณส่วนดอกบานกี่ออกลายสี กันธถมีหอมเือนปูนดีจืนเอาใจมีสะละใสสะอาดดอกบัวดาษเจดจนนีิลูบลนเป็นหมู่ดอกป้านกู่จังก่อนบ่ออาวอนสกเศร้า <c oughs> มูลมังเต้าเรือผ้ามานตั้งยัวยานจางมาตั้งหมู่ขาหญิงใจตั้งว่าควายไล่แร่รูออกแพ่ทมนาแลาลนา เยจนากุมาราปปังปูเจนตีคนฝูงใดนั่นเล่าใจบ่เศร้าศรัทธาใดปูจาและฟังกันทวนแปดมีจื่อแควดว่ากุมารบันด้วยใจมันจมื่นปีติตื่นสมมณสาแม่นจักพาธนาไข่ใดสมบัติหลุ่มไตเมืองคนหรือสมบัติบนฝากฝ้าหรืออวัยนาสูเนรปาน ดับสงสารเสี่ยงขาดหรือผาทนาะเป็นพระตนอง์อาจถรงรมย่อมสมกมไฟอ้างบ่อวิดว่างสักผากาันและนะาเยจนามติปปังปูเจนตีคนฝูงได้ใหญ่โหน่ ใจจืนจ้อยยินดีได้ปูจ่จารและฟังธรรมบัติกันทวนเกา่าตั้งแต่เกา่าถึงปลายคนตั้งหลายนั่นใส่ได้บุญใหญ่นำนากัน <c oughs> มาราก า, าภาคตายลาจากเหมืองคนยอมเอ้าตนไปเกิดในจั้นฝ้าเลิดเมืองสวาวนกันภายพันจากฮองคงเขตต้องเมืองบน เกิดเป็นคนปน้ายนาบอถอยจ้าเครื่องขี่เข้าของมีลายแลงเงินคำแพ่ลายลามมีรูปงามผ่องแผวเล่าเลือดแล้วเลือดตามนุษย์จาน้อยใหญ่จู่ผู้ไฟเล่งแยงมีกำลังแรงมากกว่างเต้ากำลังจ้างฝังไฟพญาธิ่ลายน้อยใหญ่บ่อมาไกลอินทีสัตว์สดีเตียงบันบอดวนสันมารณะและนา เยจนาสก้าปะปังปูเจนตีค้นฝูงใดนั่นใจบ่ววาน้อยใหญ่ยิ่งใจสัทถาลหลมักเตาได้ปูจ่าฟังธรรมพระเจ้าจื่อสังกะบันบุญอนันต์บ่น้อยย่อมจองห้อยตามตนเกิดเป็นคนไปดาบอ่ำจ้เจอนาถา สมภาธานาะจูสิ่งตามใจขิงคะนิงในาจากไปในคำเจ้าเตวาดาเฝาเห็นกันจุมค้นหันจมากจูผูหา ก, หากยินดี ปียามีจื่นสูดังปีน้องหมูวงใหญ่ได้เขื่องขัวไดนั่นใส่เตียนย่อมใหม่ดีงามโจกลาบลำหลายแหล่ไหลลังแพรทองทมย่ อ, อยมอุดมมังเต้าใดเป็นเจ้าแก่ยิ่งใจแหลนั เยจานมามหาราชาปปังปูเ จ, จติอันว่าคนฝุงไดนมเทาใจบัวเศร้าใจบ้ า, จบานสัทาหันองอาจปูจ่าฟังธรรมมหาราชเรื่องไร ย่อมเป็นปั จ, จจัยใจเจ้าเกิดปลายนาะหวันลูนบุญย่อมนนนองเนาวหือได้เป็นเตา้าพญามีเสนาสี่หมูวแวดล้อมอยู่จูปลายนางนาสนมไหลหนุ่มเนาวัวงแวดเฝ้าเอาใจรุ่งเรืองไรยศยาวร้อยเอ็ดดาวขาบสมปานและนาะ เยจนาชาคันติญาปปังปูเจนตีคนณฝูงใดนั่นเราบ่าว่าหนุมเทาเร่วรำสัดทางามลิงน้อมตกแต่งพ้อปูจายังชาคาติกันจืนจ้อยสมไฟหอยจูพักการมีปาริวานหลายแลอาจผาแปสัตถูกคุณมาจูอ่อนก้อมเขารบน้อมปูจาของโพกาเขื่องใจ มีบ่อไร่เลือลายสุงสบายจมื่นืนอยู่ระรื่นขึ้นวันอันอยู่เตียงมันบ่อด้วนสันนั้นแลยนะเยจานาณกราคันดังปู่เจียนตีขนฝุงได้ใหญ่น้อยได้ปู่จะฟังกันสุดซอยจื้นตะกอน ปางพระเวทสันดอนเจียงเจ้าปิกปอกเตาขืนเมืองมีเตจเรืองหยดเงาภาพแผ่นดาวสะเวยสีอานิสงมีมากวางบ่ออัดอ้างสังขาญากันเกิดมาไปนานย่อมเป็นเจ้าฝ้าภาพเวียงใจโาายธาในจังมาตั้งโมูคาหยิ่งใจเงินคำไหลเลือลากจูผู้หากนำมา น้อมปูจ้าบอกขาดจุมไพ่ราดเจยบ้านสาทุการสาเศร้าพับไข่ดาวเวียงใจเข้าของใดลายแหล่เจนปอแม่ข้าคุณย่อมมามูลมังเต้าใดเป็นเจ้าแตนไปบ่อยาเจลนา อันว่านี้สงอันได้สร้างตุ๊กแต่งหางได้ฟังเวสันตระจาตะกังยังเวสันตระจาดกกินจ้อยมีโบน้อยนำนาดังสังวัตนานาบอกเรา ตั้งแต่เก้าถึงปายคนยิ่งใจน้อยใหญ่อันมักไฟใจพันไข่เตรียมตั้นพระบาทพระจอมราชอริยาเบตไยเพิ่งใส่ใจยาขาดตามโอกาสมีมา จากสมภาทานาไฝาหอยบ่อกาดก้อยเนี่ยหายกันว่าตายกาผากจุติจากเหมือนคนย่อมเอาตนไปเกิดในจันฝ่าเลิเดจจลเหมืองสวันเที่ยวพัดพัน์จใจจากหลกใจเหมือนคนขึ้นสู่บนฝากฝ้าแล้วหลงสู่นาปฐวิย่อมเป็นดีทุกจตดบ่อไม่มามองผ่านสุขสำราญเตียงเตา บอ่ห่อนได้เข้าอาบายเมื่อจดาดไปสุดซอยเตียงได้หันพระยอดซอยอริยเมตไตบอยาจะและนาเวสันตาราชะัตะกานิสังสาริทตังขีญา สังวันนาดาวิเศษจาหองเหตานิสงเวสันตราชตาคัก่อบังครมสมเร็จเสร็จแล้วเตอานี้ก่อนแล